ต่อไปนี้จะขอพูดธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันการฟังเทศฟังธรรมมีประโยชน์อย่างไรการฟังเทศฟังธรรมเป็นการเจริญปัญญา ขั้นขั้นที่หนึ่งเป็นการเรียนรู้ความรู้ที่ไม่มีในโลกนี้ที่ไม่มีสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับวิธีการบำบัดทุกข์บำรงสุข ของจิตใจส่วนความรู้ที่สอนตามสถาบันต่างๆของทางโลกจะไม่ได้สอนเรื่องการบําบัดทุกข์บำบัดสุขของจิตใจถ้าสอนก็สอนวิธีบําบัดทุกข์บำบัดสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวคือสอนให้มีวิชาความรู้ เพื่อที่จะได้เอาวิชาความรู้นี้ไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาบาบัดความทุกข์ของทางร่างกายซึ่งการบาบัดอย่างไรก็ไม่มีวันหมดบาบัดไปเพราะร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของกองทุกขนั่นเองต่อจะให้เลี้ยงดูร่างกายดีขนาดไหน ก็จะบำบัดได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเห็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็หามาหายามรักษาเวลาหิวไม่มีอาหารก็หาอาหารมาดื่มอาหารอาหารมารับประทานถ้าหิวน้ำก็หาน้ำมาดื่มถ้ามีวิชาความรู้ก็จะสามารถไปทำงานทำการ หาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อช่วยบำบัดความทุกข์บำบุงความสุขของร่างกายได้แต่ก็เป็นการบำบัดทุกข์บำบุงสุขแบบชั่วคราวจะไม่มีวันหมดจะต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายไปจนถึงวันตายของร่างกายส่วนของความทุกข์ความสุขของจิตใจ วิชาความรู้ทางโลกก็สามารถบำบัดได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกันเช่นเวลามีความไม่สบายใจถ้ามีเงินก็สามารถที่จะทำให้ความไม่สบายใจหายได้ชั่วคราวเช่นไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลง ไปซื้อของที่อยากได้เนความรู้สึกไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความไม่สบายใจก็กลับมาใหม่เนี่ยพวกเราพยายามบำบัดความไม่สบายใจดวยวิธีหาความสุขมากลบมันเวลาไม่สบายใจก็หนีมัน อยู่ที่นี่มันไม่สบายใจก็หนีไปเที่ยวที่ไหนก่อนแต่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาที่เดิมพอกลับมาที่เดิมก็มาเจอความไม่สบายใจเหมือนเดิมหรือว่าจะทําอะไรก็ตามอยู่บ้านแล้วเห็นว่าบ้านมันเก่าก็ปรับปรุงใหม่ซ่อมแซมมันใหม่ ถ้มีความสุขกับบ้านใหม่ไปชั่วคราวเดี๋ยวมัก็เบื่อมันเองนะมีเรื่องที่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเพราะสาเหตุที่ทำให้ใจไม่สบายนี้ไม่ได้รับการกำจัดนะเพียงแต่หาวิธีหลบมันหลีกมันเท่านั้นเอง แต่เดี๋ยวมันก็ตามมาใหม่แต่ถ้ามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมจะได้เรียนรู้จากวิธีกำจัดความทุกข์ของใจและสร้างความสุขให้กับใจได้อย่างถาวรเพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนไปที่ กำจัดความทุกข์ที่เหตุของความทุกข์สร้างความสุขของใจด้วยการไปสร้างเหตุที่ทำให้ใจเกิดความสุขขึ้นมานี่แหละเป็นวิธีการที่จะทำให้จิตใจมีความสุขอย่างถาวรกำจัดความทุกข์ต่างๆของจิตใจได้อย่างถาวร ต้องเรียนรู้วิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเป็นวิธีของผู้อื่นของคำสอนของผู้อื่นจะไม่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ให้หายไปได้อย่างท้าวอนไม่สามารถสร้างความสุขให้กับใจได้อย่างทาวอนได้แต่แบบชั่วคราว ไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันไปหาอะไรมาพอได้อะไรมาก็ดีใจไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวความไม่สบายใจใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาอีกนี่คือวิธีการของทางโลกของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้า ก็จะบำบุดบำบัดทุกข์ดยวิธีการไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเวลาไม่สบายใจก็ไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจแต่ก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวมันก็หายไปแล้วความไม่สบายใจมันก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ แต่ถ้ามาศึกษาวิธีการของพระพุทธเจ้าจะได้เรียนรู้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปตามลำดับแล้วก็สร้างความสุขให้ปรากฏขึ้นมาในใจตามลำดับเพราะความสุขในใจนี้เกิดจากการกำจัดความทุกข์นี้เท่านั้นเอง ไม่ต้องไปหาความสุขให้เรากำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจพอความทุกข์หายไปแล้วความสุขมันก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะว่าความสุขความทุกข์ของใจนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ได้มันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้เหมือนกับความมืดกับความสว่างมันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ ถ้ามันมืดก็มันก็จะไม่สว่างถ้ามันสว่างมันก็จะไม่มือดอ่ฉันใดถ้าใจทุกข์มันก็จะไม่สุขถ้าใจถ้าความทุกข์หายไปความสุขใจก็จะโผล่ขึ้นมาฉะนั้นวิธีการของศาสนาจึงมุ่งไปที่วิธีการดับทุกข์เป็นหลัก ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจเหมือนกับที่ทางโลกเขาหากันทางโลกทางที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจแต่สิ่งต่างๆไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับใจไปได้ตลอดพอสิ่งที่หามาให้ความสุขกับใจ มันหมดน่ประสิทธิภาพความทุกข์ใจก็มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่จะโผล่มาอยู่เรื่อยๆต่อให้ไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจเช่นหาเงินมาเพิ่มเวลาได้เงินขึ้นได้ได้เงินเดือนขึ้นก็ดีใจดีใจไปไม่เกี่วันเดี๋ยวมันก็หมดถ้าอยากจะให้ดีใจก็ต้องเพิ่มเงินเดือนให้อีก ก็ต้องเพิ่มกันไปเรื่อยๆเพิ่มเท่าไหร่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเดี๋ยวความไม่สบายใจก็โผล่ขึ้นมาอีกวิธีแก้ปัญหาวิธีกํ า, ากจัดความทุกข์ของทางโลกนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเป็นการแก้บแบบชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ ต้องแก้แบบทางศาสนาทางของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้ไปแก้ที่เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองเหตุที่ทำให้ใจทุกข์นี้คืออะไรก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงาม อยากดีอยากเด่นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่าอยากรวยอยากมีความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเริ่มเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจจะรู้สึกกวน ก, ว, นกวายกระสับกระสาย กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาพอได้มาก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอกีกอยากได้สิ่งนี้แล้วพอได้แล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่ออยากได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากจะได้สิ่งโน้นมีอะไรอยากให้มีอะไรให้อยากอยู่ได้่อย เมื่อมีอย่างเดียวกันก็อยากจะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นมีเงินเนี่ยมีเงินแสนหนึ่งก็อยากจะได้ล้านหนึ่งนะพอได้ล้านหนึ่งดีใจไม่กี่วันทีนี้ก็อยากจะได้สิบล้านเนาะมันก็อยากไปเรื่อ ย, อยพออยากแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายใจจะต้องไปหามา ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่สบายใจอีกถ้าหาหได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากจะได้มากกว่าที่มีอีกตอนนี้มีร้อยล้านแล้วทีนี้อยากจะได้สองร้อยล้านมันจะอยากไปเรื่อยๆความอยากนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะขยายตัวมันจะไม่มีขอบไม่มีฝั่งเหมือนกับทะเลหรือมหาสมุทร ทะเลจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันก็ยังมีขอบมีฝั่งมันไม่ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันไม่เหมือนกับความอยากของใจนี้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยพอได้ในสิบก็อยากจะได้เป็นในร้อยพอได้ในร้อยก็อยากจะเป็นในพันพอได้ในพันก็อยากจะเป็นในผล มันจะอยากของมันไปเรื่อยๆพออยากแล้วก็จะมีความรู้สึกไม่อยู่ไม่เป็นสุขความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปความสุขที่ได้จากการเป็นนายสิบหายไปตอนที่ยังไม่ได้เป็นนายสิบนี่พอได้เป็นนายสิบโอ้มีความสุขแล้วกันพอได้เป็นอยู่สักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากนายสิบก็หายไป ก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องเป็นนายร้อยเพราะอยากเป็นนายสิบมันเป็นแล้วมันไม่สุขแล้วถ้าอยากจะให้สุขก็ต้องไปเป็นนายร้อยอก็เลยต้องเดินโดนวิ่งเต้นทําอะไรก็ตามเพื่อที่จะให้ได้เป็นนายร้อยขึ้นมาพอได้เป็นนายร้อยแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวฉลองกันเลี้ยงกันแสดงความยินดีกันเอ แล้วเดี๋ยวก็หมดไปความสุขที่ได้จากการเป็นนายร้อยก็หมดไปทีนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าจะสุขก็ต้องเป็นนายพันถึงจะสุขพอคิดว่าอยากจะเป็นนายพันอยู่เป็นนายร้อยก็ไม่มีความสุขละมีความรู้สึกจืดชืดเื้อดีไม่ดีรู้สึกหน้าเบื่อหน่าย ต้องเปลี่ยนต้องให้มันดีกว่านี้นี่แหละคือธรรมชาติของความอยากมันเป็นตัวมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราสร้างความไม่สงบพูดง่ายใจของเรานี้จะสงบนี้ต้องจะมีความสุขต้องสงบอย่างเดียวถ้าไม่สงบแล้วไม่มีความสุขและตัวที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความโลภความอยากต่าง ตามด้วยความโกรธพอเวลาอยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้ก็โกรธอีกแล้วตัวที่มาสร้างความโลภความอยากคืออะไรก็คือตัวความหลงความหลงก็คือไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนการมาฟังเทศฟังธรรมนี้มาแก้ที่รากของความโลภ ของความโกรธของความอยากมาแก้ที่ความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนพอมาฟังเทศฟังธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความสุขอยู่ที่ความสงบของใจความสุขอยู่ที่การระงับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆอันนี้แหละเป็นปัญญาความรู้ ที่จะมาทาลายความหลงที่มาคอยหลอกให้ใจอยากได้นูน่นอยากมีนี่อยู่มาตลอดเวลาแล้วพอไม่ได้ก็โกรธเสียใจแล้วก็ไปทำเรื่องราวให้เกิดความเสียหายกับตนเองและกับผู้อื่นเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเรื่องเป็นราว สังคมเราอยู่กันวุ่นวายกันก็เพราะเรื่องของความหลงนี้พอหลงแล้วไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนก็เลยถูกความก็เลยคิดว่าอยู่ที่การมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีลาบมียศมีสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขก็เลยไปหาสิ่งเหล่านี้ หาโดยวิธีที่ไม่ทำให้คนอื่นเสียหายก็มีบางคนหาโดยวิธีที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ก็ต้องหาโดยวิธีให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคือไปแย่งราบยศรเสรสุขของผู้อื่นเข้ามาเนี่นงแทนที่จะหาเองหาของเนของตนเองเห็นคนอื่นมีเอาของคนอื่นดีกว่าง่ายกว่าเห็นคนอื่นเขามีรถขโมยรถเขาดีกว่า เพราะถ้าอยากจะซื้อรถนี้ต้องหางานหาเงินก่อนถ้าไม่มีงานก็ต้องหางานก่อนเพราะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินนี่นมันยุ่งยากการที่จะหาอะไรมาโดยที่ไม่ไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นการหาแบบทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนนี่มันง่ายได้ง่ายได้มากได้เร็วจึงมีการคอร์รัปชันมีการโกงกันอยู่เรื่อย มีการช่อโกงมีการลักทรัพย์มีการต้นมีการจี้แล้วก็นำไปสู่การฆ่ากันอีกว่าก็ต้องมีการต่อสู้กันเจ้าของทรัพย์เขาก็หวงทรัพย์ของเขาถ้าเขามีอาวุธเขาก็จะเอาอาวุธออกมาป้องกันตัวเขาผู้ที่ไปแย่งทรัพย์สมบัติเขาก็มีอาวุธติดตัวไป พอเขาเอาอาวุธออกมาก็เลยต้องฆ่าเขาไม่ฉะนั้นก็จะถูกเขาฆ่าอันนี้แหละคือการสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการคิดว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับใจคิดว่าถ้ามีเงินทองแล้วจะได้ซื้ออะไรได้จะทําอะไรก็ทําได้อยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวได้มีความสุข แต่เวลาใช้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดใช้ไปเรื่อยๆมันก็หมดแล้วถ้าอยากหาแบบง่ายๆหาแบบเร็วๆหาแบบมากๆก็ต้องหาโดยวิธีที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไปทำบาปทำกรรมทำผิดกฎหมายแล้วดีไม่ดีก็ถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางอีก แทนที่จะได้ความสุขก็กลับไปได้ความทุกข์เสีอีกนี่แหละคือวิธีการหาความสุขหรือวิธีกําจัดความทุกข์ของทางโลกเขาทํากันอย่างนี้ถ้าได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเริ่มเรียนมีวิชาความรู้ก็อาจจะไปหางานทําได้งานดีได้เงินเดือนดี ก็อาจจะไม่ต้องไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ความสุขที่ได้มามันก็เป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พออกีกได้มาอะไรก็อยากจะได้เพิ่มหรืออยากจะได้อย่างอย่างอื่นต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าตราบใดยังไม่ได้กําจัดความอยากที่อยู่ในใจให้หมดไป ความอยากในใจนี้มันไม่ได้หมดไปด้วยการทำตามความอยากแต่เราคิดว่ามันหมดมันอาจจะหมดเดียวเดียวเช่นตอนนี huh. ้อยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวขณะที่เที่ยวความอยากเที่ยวมันก็ไม่มีแนละ้ว uh huh. มันอยากจะกลับบ้านซ uh huh. อีกเพราะเที่ยวแล้วเหนื่อยแล้วสิคิดถึงบ้านนะ uh huh. แต่พอกลับมาบ้านอยู่สักพักหนึ่งเดียวความอยากไปเที่ยวเกิดขึ้นอีกแล้ว uh huh. ต่อให้ไปเที่ยวกี่รอบมันก็ไม่หมดยิ่งเที่ยวมันยิ่งกลับมาใหญ่ยิ่งไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านเดี๋ยวมันก็มาชวนเราใหม่วิธีที่จะกำจัดความอยากให้มันไม่กลับมาทาอย่างไรพระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าก็อยากไปทำตามความอยากเลยมันอยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวบังคับให้มันอยู่บ้านไป พอมันอยู่บ้านไปสักพักเดี๋ยวมันชินกับการอยู่บ้านแล้วมันก็ไม่อยากไปเที่ยวเองอยู่บ้านได้แต่ถ้าออกไปเที่ยวแล้วมันก็จะออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าพออยู่บ้านแล้วมันก็จะติดบ้านมันก็ยังไม่อยากจะออกไปนอกบ้านได้ต้องฝืนความอยากอยากสูบบุหรี่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ไหมเลิอกอยากอยากสูบบุหรี่ได้ไง ก็เวลาอยากสูบก็อยากไปสูบมันเนะี่ยพอไม่สูบมันต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็หายไปอยากดื่มสุราก็เหมือนกันเวลาอยากดื่มสุราก็อยากไปดื่มมันเนะี่ยพอไม่ดื่มไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายไป น, นี่แหคือวิธีการที่จะทําให้เรามีความสุขกําจัดความทุกข์ต่างๆเราต้องมากําจัดที่ ใจของเราที่ต้นเหตุที่มาสร้างความทุกข์ของใจของเราคือกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีในใจของพวกเราให้หมดไปและการจะกำจัดได้ก็ต้องรู้จักวิธีกำจัดนอกจากรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจแล้วยังต้องรู้อีกว่าเราจะทำยังไงที่จะกำจัด ความอยากที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดไปได้เมื่อรู้แล้วก็ยังต้องนำมาไปปฏิบัติเองพอเมื่อรู้แล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็ยังจะไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไปจากใจได้ก็ต้องเรียนรู้อีกว่าต้องใช้วิธีอะไรบ้าง เหมือนกับการที่เราจะไปซักเสื้อผ้านี่เรารู้ว่าเสื้อผ้าสปกปรกเสื้อผ้าจะสะอาดก็ต่อเมื่อเรากำจัดคราบสกปกออกไปให้หมดได้เสื้อผ้าก็จะสะอาดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ซักผ้าไม่ได้จะซักผ้าก็ต้องมีน้ำมีภาชนะใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผงซักฟอก พอมีน้ำมีภาชนะใส่น้ำเข้าไปใส่ผงซักพอเข้าไปเอาเสื้อที่สกรปรกแช่เข้าไปในน้ำเสร็จแล้วก็ซักซักมันขยี้มันเดี๋ยวคราบสกรปรกที่มีอยู่ในเสื้อผ้ามันก็จะหลุดออกนะพอเราเอาน้ำสะอาดมาล้างคราบสกรปรกต่างๆที่ ออกมาจากเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็จะสะอาดเหมือนเสื้อผ้าใหม่เหมือนเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่ดีก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มีความสปกปรกโลกลุ่งลังสร้างความหม่นหมองสร้างความเศร้าหมองให้กับใจนิยามของกิเลสนี้ท่านแปลว่าอะไรถ้าว่าเป็นเครื่องเศร้าหมอง ใจของพวกเรามีความเศร้าหมองมีไม่มีความสุขเพราะกิเลส ต, ตันหาเหมือนกับเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดเห็นแล้วก็ไม่น่าใส่เห็นแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นก็ไม่อยากจะใส่เสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าที่สปกปรกต้องเอาเสื้อผ้าไปซักไปล้างให้สะอาดพอซักล้างเสื้อผ้าสะอาดแล้วทีนี้ก็อยากจะใส่แล้ว อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของพวกเราที่ไม่มีความสุขกันที่เศร้าหมองกันนี้ก็เพราะเกิดจากกิเลสตัณหานี่เองเราต้องทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานสดชื่นแจ่มใสด้วยการกำจัดเครื่องเศร้าหมองที่มีครอบงำในใจเราที่มันติดอยู่ในใจของเราเนี้ ให้หลุดออกไปจากใจไม่ใช่ไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มามันก็ยังไม่ได้ทำให้เครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจหายไปเราเพียงแต่หาความสุขมากบมันไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ความสุขที่เอามากบเดี๋ยวมันก็จางหายไปพรามันเหมือนควันไฟนะ ความสุขต่างๆที่เราหามากลบความไม่สบายใจของเรานี้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนควันไฟเป็นความสุขชั่วคราวเวลาเบือ่ออยู่บ้านเนบื่อออกไปเที่ยวพอเวลาไปเที่ยวมันก็เกิดความรู้สึกสดชื่นเบิกบานพอกลับบ้านมันก็กลับมาซึมเศร้าเหมือนเดิมท่านบอกเวลาออกไปเที่ยวเหมือนไก่บิน เวลากลับเข้าบ้านเหมือนหากินไม่ไม่อยากจะกลับแต่ก็ต้องกลับเพราะมันเหนื่อยหมดแรงต้องกลับมาพักผ่อนเอาแรงก่อนแล้วเดี๋ยววันต่อไปก็เกิดความอยากออกไปเที่ยวใหม่แก้มาตั้งแต่วันเกิดแล้วพวกเราเนี่ยแก้ด้วยวิธีนี้มามีความไม่สบายใจก็ไปทำนูน่นทำนี่ไปหาหนูน่นหานี่มา พอได้มาความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวพอความสุขใจที่ได้จากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มามันจางหายไปความไม่สบายใจก็กลับคืนมาใหม่ เ, เราเกิดมาจนถึงบัดนี้ความไม่สบายใจหายไปได้อย่างความเศร้าหมองของจิตใจหายไปได้อย่าง ความไม่มีชีวิตชีวาของจิตใจเราเวลาที่เราอยู่เฉยๆนี่มันหายไปหรือเปล่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้าอยู่เฉยๆกันไม่ชอบอยู่เฉยๆกันเพราะอยู่เฉยๆเมื่อไหร่ไม่มีอะไรทําเมื่อไหร่เมื่อนั้นอนะความเศร้าหมองมันจะมาเซ y ฮ e l l แล้วจะมาเยี่ยมเยียนเป็นไงเศร้าหมองดีไหมหงุดหงิดลาคาญดีไหมเบื่อหน่ายดีไหมเสงดีมเนี่ย อาการเหล่านี้มันจะมาเยี่ยมเราอยู่เรื่อยเพราะเราไม่ได้ไปกำจัดตัวที่สร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมา <c oughs> คือตัวความหลงนี่แหละตัวความหลงที่ไม่รู้จักวิธีกำจัดความเศร้าหมองของใจไปคิดว่าวิธีกำจัดความเศร้าหมองความเบื่อหน่ายความจำเจ ก็คือการไปหาของแปลกๆใหม่ๆมาให้ใจเวลาได้ของแปลกๆใหม่ๆโอ้ดีใจใช่รองเท้ามันก็รองเท้าเหมือนกันนะแต่รองเท้าคู่ใหม่นี้มันรู้สึกมันวิเศษกับคู่เก่าทั้งทั้งที่คู่เก่าตอนที่ซื้อมาใหม่ๆมันก็รู้สึกว่าวิเศษเดียวกันแต่พอได้มาใช้มันไปแล้วความวิเศษของมันก็หายไปแล้วต้องเอาคู่ใหม่อีก ถึงจะวิเศษจังนุชถึงจะมีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมามนี่ละคือความหลงมันหลอกให้เราไปแก้ความเบื่อหน่ายแก้ความซึมเศร้าแก้ความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราด้วยการไปหาสิ่งต่างๆแปลกๆมาใหม่ๆ ม, ม, มาให้เราได้เสพได้สัมผัสแต่มันเป็นการ แก้ปัญหาแบบชั่วคราวเท่านั้นไม่ว่าจะมีเป็นอะไรในโลกนี้จะวิเศษขนาดไหนต่อให้ได้เพชรน้ำหนึ่งราคาร้อยล้านมันก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมเดี๋ยวคามรู้สึกจำเจรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกหงุดหงิดลำคาญมันก็กลับมาอีกมันไม่มีวันหมดถ้าตาบใดเราไม่กำจัดไอตัวความโลภความอยากต่างๆนี่ ให้มันเอหมดไปจากใจถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่วิธีที่เราจะกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้มันหมดไปได้นี้เราต้องรู้ก่อนว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแล้วเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเปลี่ยนวิธีกำจัดความทุกข์กันโดยการไปหาความสุขแบบที่เป็นความสุขที่แท้จริง ไปหาวิธีกำจัดความทุกข์แบบที่แท้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่แท้จริงความดุความดับทุกข์ที่แท้จริงนี้ก็อยู่ที่ความสงบของใจนี้เองความสงบระงับจากความโลภความโกรธความอยากต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะทำได้สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่ง ง่ายกว่าขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สองนีต้องอาศัยผ่านขั้นตอนที่หนึ่งก่อน<ฮ>ถึงจะสามารถไปสู่ขั้นตอนที่สองได้<ฮ>ขั้นตอนที่หนึ่งก็คื อ, อทำใจให้สงบละ ง, งับด้วยการเจริญสติ<ฮ>ถ้ามีสติแล้วจะสามารถทำให้ใจนิ่งสงบได้ทำให้กิเลสตัณหาที่สร้างความเศร้าหมองสร้างความ รู้สึกไม่สบายใจต่างๆนี้หยุดทำงานชั่วคราวแล้วก็พอกิเลสตันหาหยุดทำงานชั่วคราวจิตหยุดนิ่งความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะโผล่ขึ้นมาชั่วคราวขณะที่เรานั่งสมาธิได้ทำจิตให้สงบได้หยุดความคิดต่างๆได้ ความโลภความโกรธความอยากต่างๆมันจะระ ง, งับไปชั่วคราวแล้วก็ความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาชั่วคราวชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอมาเริ่มคิดมาเริ่มสัมผัสกับสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆความโลภความโกรธความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ ถ้าเริ่มทำงานใหม่พอเริ่มทำงานใหม่ความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะทำให้ความโลภความอยากนี่มันหายไปอย่างถาวรทีนี้ก็ต้องไปสู่ขั้นที่สองคือขั้นปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้สตินี้เพียงแต่กดมันเอาไว้หรือจับมันเอาจับมันมามัดไว้ชั่วคราวแต่ฆ่ามันไม่ได้ผู้ที่จะฆ่ามันให้ตายไปแบบทาวนนี้ต้องเป็นปัญญาแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาได้นี้ต้องจับต้องลดกําลังของกิเลสตัณหาให้มันน้อยลงก่อน ถ้าเป็นชกมวยก็ต้องชกให้คู่ต่อสู้นี้นับแปดก่อนถ้าพอคู่ต่อสู้นับแปดพอลุกขึ้นมาเทนี้กําลังวังชาจะไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ได้ถูกนับแปดตอนนั้นก็สามารถเข้าไปพิชิตเอาแบบให้นับสิบเลยได้เบื้องต้นต้องต้องลดกําลังของกิเลสตัณหาด้วยการเจริญสติ เพราะว่าการเจริญสตินี้มันง่ายกว่าการเจริญปัญญามันไม่ยุ่งยากมันไม่ต้องใช้ความฉลาดมันเพียงแต่ให้มีความความมีกำลังที่จะระลึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสกัดความคิดวงแต่งต่างๆที่เป็นตัวนำความโลภความโกรธออกมา โผล่ขึ้นมากิเลสตัณหานี่จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งต้องคิดปรุงแต่งก่อนถึงจะเกิดกิเลสความโลภความอยากขึ้นมาได้ถ้าไม่คิดถึงกาแฟมันก็ไม่รู้สึกจะหิวกาแฟแต่พอมันเริ่มคิดถึงกาแฟเมื่อไหร่น้ำลายมันเริ่มไหลคอมันเริ่มแห้ง พอไปคิดถึงอะไรแล้วความอยากมันก็จะตามมาหรือความโกรธก็ตามมาคิดถึงคนที่เราเกลียดเดี๋ยวก็โกรธก่อนไม่ต้องเห็นหน้าแร้เพียงแต่คิดเท่านั้นคิดถึงเขาก็โกรธขึ้นมาได้ในใจนะคนที่เขาดา่าเราเมื่อเช้านี้ตอนเย็นนี้ถ้าคิดถึงเขาความโกรธมันก็ยังโผล่ขึ้นมาได้แในเบื้องต้นก็ใช้วิธีง่ายๆ คือการระลึกรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเรียกว่าเป็นการเจริญสติให้มีกำลังที่จะหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าเราระลึกอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ตอนต้นนันอาจจะคิดได้เพราะว่าการระลึกของเรายัางมีกำลังน้อยแต่ถ้าเราระลึกไปเรื่อยๆมันจะมีกาลังมากขึ้นมากขึ้น แล้วความคิดต่างๆที่มันเคยคิดได้นี่มันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปจนในที่สุดมันก็จะหยุดคิดได้ยังอย่าไปคิดว่าพอเราเริ่มต้นเจริญสติปุ๊บนี่ความคิดจะหายปั๊บเลยมันไม่หายเราพุโทโธพุโทโธไปนี่มันก็ยังวัดไปคิดเรื่องนั้นวัดไปคิดเรื่องนี้อยู่พราะบางทีพุโทโธเราไม่ไม่ต่อเนื่อง พุโทโธได้สองสามคำหายไปแล้วไปโผลที่เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เสียแล้วนี่คือการเจริญสติต้องมีความพยายามหนึ่งสองต้องมีความอดทนต้องใจเย็นมันไม่เหมือนกับกดสวิตช์ไฟนะพอกดปุ๊บไฟก็ติดปั๊บเลย พอพูดโธสองคำจิตก็รวมสงบนิ่งเป็นสมาธิเลยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อมันไม่คิดอะไรเลยถ้าพูดโทได้ห้านาทีโดยไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลยสงบได้แต่ถ้าพูดโท 2, สองสามคำแล้วก็แวบไปคิดถึงคนนั้นแวบไปคิดถึงคนนี้นังนนน่งไปห้าชั่วโมงมันก็ไม่สงบ เพราะมันยังมีการต่อสู้กันอยู่ค่าสึกคือความคิดนะั้นไม่ยอมแพ้มันก็จะคิดของมันอยู่นะมันก็จะหลอกให้เราลืมพุโทโธพอลืมพุโทโธปั๊บมันก็พาเราไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้อย่าในเบื้องต้นนี้ในการฝึกสติในเบื้องต้นนี้จะต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าเรายังไม่เคยฝึกมาก่อน ถ้าเรายังไม่มีสติมาก่อน mm hmm. การที่จะดึงจิตให้มาอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย mm hmm. เพราะจิตที่ไม่มีสตินี้มันชอบไหลไปตามกระแสของความคิดซึ่งเป็นเหมือนกระแสน้ำเนี mm ่ย hmm. ถ้าเราลอยอยู่ในน้ำที่มีกระแสนี่เราจะถูกกระแสน้ำพัดไปเรื่อย ถ้าเราอยากจะให้เราไม่ถูกกระแสน้าพัดไปเราต้องหาเสาเกาะนะถ้ามีเสามีอะไรเกาะที่มันไม่ไหลไปตามกระแสน้ำมันก็จะทำให้เราไม่ไหลไปตามกระแสน้าได้ฉันใดอารมณ์ที่เราใช้ในการเจริญสติก็เป็นเหมือนกับเสาที่เราจะผูกใจของเรานี้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสความคิดต่างๆได้ ถ้ามันไม่ไหลแล้วมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะสงบได้นปัญหาคือเวลาเรามีเสาแต่เราเกาะได้สองสามวินาทีเราก็ปล่อยนะแล้วก็ถูกกระแสความคิดลากไปจะมารู้สึกตัวอีกทีก็หมดไปหลายนาทีแล้วอ่ากลับมาเกาะใหม่กลับมาหาเสาใหม่หาได้อีกสองสามวินาทีไปอีกแล้ว ต้องหาต้องเกาะเสาให้ต่อเนื่องสักห้านาทีหรือสิบนาทีแล้วจิตก็จะนิ่งสงบได้นี่ขั้นของสติถึงแม้่ฟังถึงแม้ว่ามันจะง่ายแต่พอทําจริงๆมันก็ไม่ง่ายเพราะใจของเรามันไม่ชอบอยู่กับเรื่องเดียวมันเบื่อให้พุโทโธคําเดียวมันเบื่อเดี๋ยวมันก็อยากจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ชอบคิดปรุงแต่ง ใจเรานี้เป็นเหมือนคนที่เขียนนิยายชอบเขียนนิยายปรุงแต่งละครน้ำเน่าทั้งหลายนี้ก็มาจากความคิดปรุงแต่งนี่คนที่คิดปรุงแต่งเก่งๆก็ปรุงแต่งออกมาเขียนเป็นนิยายเป็นเล่มแล้วก็หาเงินหาทองจากความคิดปรุงแต่งได้ด้วยพวกที่แต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่มันไม่มีประโยชน์กับจิตใจ มันมีแต่ไปสร้างความไม่สงบให้กับจิตใจสร้างความาวุ่นวายให้กับจิตใจสร้างความฟุ้งซ่านให้กับจิตใจแล้วก็ไปแก้ด้วยการไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาแก้กันหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่ไม่ก็แก้ไม่ได้สักทีเป็นเศรษฐีแล้วใจก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีใจก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ได้รับเหรียญรางวัลต่างๆมาได้รับรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองโอลิมปิกหรือรางวัลตกตาทองลูกโลกทองคำอะไรต่างๆมันก็ยังทำให้ใจฟุ้งซ่านอยู่ใจก็ยังไม่สงบใจก็ยังหิวยังโหยยังไม่อิ่มไม่พออยู่นั่นนะฮะ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่จะแก้ความไม่สบายใจไม่ใช่เป็นวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจวิธีที่จะสร้างนี้ต้องสร้างด้วยสติขั้นที่หนึ่งสร้างแบบชั่วคราวไปก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ของง่ายขั้นที่สองนี่ยิ่งยากกว่าขั้นที่หนึ่งอีก ขั้นที่สองนี้ต้องใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลต้องนึกภาพต่างๆให้ออกถึงจะสามารถที่จะเข้าถึงปัญญาเข้าถึงความรู้ความจริงที่จะมาทําลายความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปได้เหในเบื้องต้นนี้ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาก่อน เพื่อจิตให้สงบหยุดความคิดปรุงแต่งชั่วข่าวหยุดความโลภความอยากไว้ชั่วข่าวแล้วก็ทําให้หนึ่งทำให้จิต ท, ที่มีความสงบนี้มีกําลังสองทำให้กําลังของกิเลสอ่อนลงถ้าต่อสู้กับความอยากโดยไม่มีสติไม่มีสมาธิสู้มันไม่ไหวหรอกลองตั้ง ปีใหมยชอบตั้งอธิษฐานกันอยู่เล ย, เลยว่าปีนี้จะไม่สูบบุหรี่จะไม่เที่ยวจะไม่ชอปตั้งไปได้ไม่กี่วันเดี๋ยวพอกิเลสโผล่ขึ้นมาลืมไปเลยลืมว่าตั้งอะไรไปบ้างเพราะว่ามันไม่มีกำลังแต่ถ้ามีสติมีสมาธินี้จิตมันจะมีกำลังเพราะมันมีความอิ่มในใจนั่นเองสมาธินี้มันให้ความอิ่ม มันลดความหิวโหวยของใจลงทำให้ความโลภความอยากที่เคยมีนั้นมันอ่อน ก, กำลังลงแต่มันไม่ตายมันก็ยังมาแย่ได้มายั่วได้เรือเวลาไปเห็นอะไรเข้าที่เคยชอบเคยถึกเคยอยากได้พอเห็นปั๊บมันก็ดึงความอยากให้ออกมาได้ถ้าไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีความอิ่มเลยนี่ จะต้องควักกระเป๋าเงินทันทีถ้ามีเงินนี่ควักกระเป๋าทันทีถ้ามีบตรก็รูดทันทีแต่ถ้ามีความอิ่มแล้วก็ถ้าได้มาเรียนรู้ของปัญหาว่าปัญหาของใจที่เกิดที่เกิดอยู่เรื่อยๆที่มีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆนี้เกิดจากความโลภความอยากนี่เอง แล้วพอรู้อย่างนี้พอเริ่มมีความอยากก็จะได้รู้ว่าต้องก้าที่ความอยากต้องไม่ทำตามความอยากเพราะถ้าทำตามความอยากแล้วมันจะแก้ไม่หมดปัญหามันจะความอยากมันจะไม่หมดมันจะโผล่มาเรื่อยๆนี่ขั้นที่หนึ่งต้องมีสมาธิก่อนมี มีสติก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติเนี่ยสติเป็นเหตุเนยสมาธิเป็นผลในทางโลกเราใช้คำว่าสติเราใช้คำว่าสมาธิแทนสติมันก็เลยสับสนกันคนก็เลยคิดว่าอ๋อทำสมาธิกันทำง่ายเพราะเราก็ทำอยู่ทุกวันทำงานก็ต้องมีสมาธิเรียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิ แต่ความจริงนั่นไม่ใช่สมาธินะนั่นคือสติคือให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำมีสติอยู่กับสิ่งที่เราเรียนเราก็จะได้จำได้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่รู้ว่าเราฟังอะไรเช่นอยู่ในห้องเรียนครูก็ก็สอนวิชาของเขาไปเราสติไม่มีมันก็พาเราไปคิดถึงที่ช้อปปิ้งบ้างที่เที่ยวบ้าง คิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้บ้างพอครูถามว่าเมื่อกี้สอนอะไรไม่รู้เนเพราะว่าไม่มีสติในการเรียนความจริงต้องต้องใช้คำว่าสติแต่ทางโลกเราใช้คำว่าสมาธิแทนพอมาเรียนทางธรรมะก็เลยเข้าใจผิดคิดว่ า, าการนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการนั่ง ดูหนังสือนั่งทำงานแต่มันไม่เหมือนกันการมีสตินี้เป็นการให้ใจอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่แต่การมีสมาธินี้หมายถึงมีความสงบนะ ง, งับจากความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งคนในโลกนี้แทบจะไม่มีกันมีแค่สติมีสติในการทำงานมีสติในการ เรียนต่างๆแต่ไม่มีสมาธิเพราะสมาธินี้ต้องมีสติแบบพิเศษสติที่ใช้ในทางโลกนี้ไม่ใช่เป็นสติที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาเพราะเป็นสติแบบที่ใช้ความคิดเราทำงานเราก็ใช้ความคิดเราเรียนหนังสือเราก็ใช้ความคิดเรกคิดไปตามที่อาจารย์สอนเรามีสติเราก็ นึกคิดไปเราก็ได้วิชาความรู้จากการเรียนแต่เราไม่ได้ความสงบเพราะใจเราไม่หยุดคิดนทํางานเราก็มีสติอยู่กับการทํางานแล้วเราก็ต้องใช้ความคิดไปกับงานที่เราทําำมันก็ไม่หยุดความคิดอีกทํางานทั้งวันเรียนหนังสือทั้งวันมันก็ไม่มีวันสงบเพราะเราไม่มีสติแบบไม่คิดกัน สติแบบไม่คิดนี้ต้องเรียนที่กรรมฐานต้องเอาต้องเอากรรมฐานนี้มาเป็นตัวที่จะทำให้จิตของเราไม่คิดเช่นเราละเลอกถึงพุทโธพุทโธไปนี้มันก็จะไม่คิดเรื่องอื่นๆได้หรือดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอนาปณะสติอันนี้ก็เป็นการฝึกสติให้จิตตั้งมั่นไม่ให้คิดปรุงแต่ง ถ้าจิตมีสติตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ถ้าอย่างต่อเนื่องห้านาทีหรือสิบนาทีจิตก็จะหยุดคิดได้พอหยุดคิดแล้วทีนี้มันก็เป็นสมาธิแล้วนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้อารมณ์รวมเป็นหนึ่งรือมีแต่ความรู้อย่างเดียวความคิดที่เคยมีในใจหายไปหมดความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของทางร่างกายหายไปหมด บางทีเรื่องตัวร่างกายเองก็หายไปจากความรู้สึกนึกคิดของใจด้วยอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าสมาธิดังนั้นขอให้เราเข้าใจความหมายของคำสองคานี้ว่าสมาธินี้คือความนิ่งสงบของใจใจจะนิ่งสงบได้ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดดังั้น อย่าไปคิดว่าเราทำสมาธิแบบทำงานมีสมาธิในการทำงานมีสมาธิในการเรียนอันนี้เรียกว่ามีสติยังไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิจริงๆนี้ต้องไม่คิดปรุงแต่งไม่ต้องไม่มีอะไรอยู่ในใจใจจะว่างเหมือนอยู่ในอาวากาศ มีแต่ความรู้มีแต่ผู้รู้อยู่ตัวเดียวรู้อยู่กับความว่างแล้วก็มีความสุขอันมหัศจรรย์ใจปรากฏขึ้นมาเรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่จะทำให้ใจนี้ปราศจากอารมณ์ขุนมัวต่างๆคือความรักชังกลัวหลงนี้จะไม่มีในใจของใจที่สงบนิ่งเป็นสมาธิ นี่แหละคือสมาธิสมาธินี้ก็มีแบบนิ่งเดี๋ยวเดียวแล้วก็นิ่งได้นานเวลาที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆกําลังสติยังมีน้อยก็ถ้าทําให้นิ่งได้ก็นิ่งได้แป๊บเดียวก็หมดกําลังกําลังที่คอยผลักดันความคิดมันก็จะผลักดันให้จิตคิดออก พอจิตเริ่มคิดจิตก็ต้องถอนออกจากสมาธิมาเนี่ยเวลานั่งแล้วสงบแบบงูแลบลิ้นเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นความสงบของผู้ฝึกหัดนั่งสมาธิใหม่ๆถ้าจะได้สมาธิส่วนใหญ่ก็จะได้แบบนี้คือได้แบบงูแลบลิ้นแบบฟ้าแลบเรียกว่าคานิกะสมาธิ คนนี้กาสมาธินี่มีคุณมีประโยชน์อย่างไรก็เหมือนกับเราได้ลองของได้ชิมถ้าเราไม่เคยกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เราก็ไม่อยากจะสั่งมาทั้งจานถ้าเขาให้ชิมสักคำนี้พอชิมก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรพอชิมแล้วเรารู้แล้วว่ามันอร่อยเราก็จะสั่งมาทั้งจาน สินค้าบางชนิดนี้เขาจะมีของให้เราทดลองก่อนทํามาเป็นขวดเล็กๆทํามาเป็นก้อนเล็กๆสบู่ก็ก้อนเล็กๆน้ําหอมก็ใส่ขวดเล็กๆให้เราลองได้มาใช้ดูก่อนพอเราได้ใช้แล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรพอรู้สึกว่าดีชอบทีนี้ก็สั่งขวดใหญ่มาเลยสั่งก้อนใหญ่มา อันนี้เหมือนกันคณิกะนี่เป็นเหมือนสินค้าตัวอย่างที่จะจงใจให้ผู้ปฏิบัติเห็นความวิเศษของความสงบของจิตใจว่าเป็นอย่างไรพอได้สัมผัสกับหนังตัวอย่างแล้วทีนี้ก็อยากจะดูหนังจริงแล้วเช่นเวลาไปดูภาพยนตร์นี้เขามักจะมีหนังตัวอย่างให้เราดูก่อนเพื่อจะได้ดึงเรากลับมาดูข่าวหน้า ถ้าไม่มีหนังตัวอย่างก็ไม่รู้จะกลับมาทําไมอแต่พอมีหนังเรื่องใหม่เอามาใช้หนังตัวอย่างให้ดูหน่อยพอดูแล้วถ้าเกิดชอบเดี๋ยวก็จะกลับมาดูใหม่เนี่ยประโยชน์ของคณิกะสมาธิก็คือมันจะเป็นเหมือนกับตัวที่จะชักจูงให้จิตใจเราชอบนั่งสมาธิกันถ้าเรานั่งสมาธิแล้วยังไม่ได้เจอคณิกะนี่บางทีเดี๋ยวมันเบื่อนะ นั่งแล้วมาไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนั่งแล้วก็ทรมานแทนที่จะมีความสุขกับรู้สึกทรมานเพราะจะต้องฝืนกับความรู้สึกอึดอัดฝืนกับความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้บางทีนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านก็มีเพราะสติมีกําลังน้อยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมักจะล้มเหลวผู้ที่มาฝึกสมาธิแล้วถ้าไม่มีสติมากพอ ที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ไม่ช้าก็เร็วก็จะเลิกเพรานั้นถ้าอยากจะนั่งได้ผลนี้เบื้องต้นนี้ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องสร้างแบบอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาสร้างตอนที่มานั่งสมาธิถ้าม า, มาเริ่มสร้างสติตอนที่นั่งสมาธินี้ มันเหมือนกับเบรครถตรงที่เราต้องการจะหยุดเนี่ยเราต้องการจะหยุดตรงนี้เราเหยียบเบรคปุ๊บมันรถมันจะหยุดหรือเปล่ามันไม่หยุดหรอกนู่นนะันหยุดอีกร้อยเมตรข้างหน้าเนะหยุดใกล้หยุดไกลก็อยู่ที่ความเร็วของรถด้วยถ้ารถวิ่งมาเร็วๆก็จะหยุดไกลออกไปถ้าวิ่งช้าก็หยุดใกล้ได้แต่จะให้มันหยุดตรงนั้นเลยเนี่มันไม่ได้น สติก็เหมือนอันนี้การจเจริญสติเพื่อหยุดความคิดก็เหมือนกันเราต้องพยายามใช้สติเบรกความคิดไว้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิไม่ใช่มาเหยียบเบรกตอนที่มานั่งสมาธิไม่ใช่มาจเจริญพุโทโธตอนที่นั่งสมาธิถ้าเริ่มตรงนั้นชั่วโมงหนึ่งมันก็ยังไม่สงบแต่ถ้าเราฝึกสติจเจริญสติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เราตื่นขึ้นมา พอลุกขึ้นมาลืมตาเราก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพอเรามีเวลาว่างจะมานั่งสมาธิความคิดต่างๆก็จะน้อยลงเบาลงพอนั่งสมาธิหลับตาพุทโธไปเดียวๆมันก็นิ่งสงบได้นี่คือ เคล็ลับของการที่จะทำให้เรานั่งสมาธิแล้วได้ผลหรือเหตุที่ทำให้เรานั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผลก็เพราะว่าเราไม่เจริญสติกันก่อนเราไม่สร้างสติกันขึ้นมาก่อนเราไม่เหยียบเบรกลดเราไม่เบาคันเร่งก่อนอยู่ดีๆวิ่งมา120กิโลแล้วอยากจะให้มันหยุดตรงนั้นมันไม่หยุดนะเราต้องลดความคิดหลงผ่อนคันเร่งลงแล้วก็ แตะเบรกอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะรถก็จะวิ่งช้าลงช้าลงสติก็เป็นเหมือนกับการเหยียบเบรกเหมือนกับการผ่อนคันเร่งพอเรามีสติพุโทโธพุโทโธก็เท่ากับเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากการเหยียบคันเร่งมาเปลี่ยนเหยียบเบรกแทนพอเราเริ่มเหยียบเบรกพุโทโธพุโทโธความคิดที่มันคิดอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วมันก็จะช้าลงน้อยลงไป ต้องฝึกสติก่อนพยายามฝึกสติให้มากๆพยายามควบคุมความคิดหยุดความคิดให้มากๆและการที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะถ้าไปทํางานไปยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วมันต้องใช้ความคิดมันก็จะทําให้ฝึกสติแบบไม่คิดไม่ได้ วิธีที่จะฝึกสติแบบไม่คิดนี้ต้องไปปรีกวิเวกไปอยู่คนเดียวอันนั้นนะไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องทำงานอะไรงานที่ทำก็ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นงานอาบน้านัางหน้าแปลงฟันซักผ้ากวาดถูที่อยู่อาศัยมันไม่ต้องใช้ความคิดมากก็จะทำให้เรานี้สามารถที่จะฝึกสติแบบไม่คิดได้ไดง่าย น่าได้มากแล้วพอเวลานั่งสมาธินี่จะรู้สึกสงบง่ายจะสงบมากหรือสงบน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับกาลังของสติที่เราได้ฝึกไว้คนที่ไปฝึกอยู่ตามน้ำพังแล้วจะเห็นความแตกต่างของจิตใจกับการที่มาอยู่กับคนมาอยู่กับงานที่ทำวเวลาอยู่กับคนอยู่กับงานนี่มันต้องใช้ความคิด มันก็จะไม่ได้สมาธิมากไม่ได้เลยสติจะไม่ได้มากสติที่จะหยุดความคิดจะไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดคุยกับใครไม่ต้องคิดกับเรื่องงานเรื่องการมีแต่หน้าที่ให้หยุดความคิดอย่างเดียวมันก็จะทำให้การเจริญสตินี้มันง่ายและได้มาก ในเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้มากและได้นานนี่คือเรื่องของการสร้างความสุขเพื่อที่จะมาหยุดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาในเบื้องต้นนี้พระพุทธเจ้าบอกให้เอาสมาธิก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนทาจิตให้สงบก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความสงบแบบชั่วคราว เพราะว่ากิเลสตัณหายังไม่ได้ถูกทำลายด้วยกำลังของสติของสมาธิแต่ก็จะเป็นการเตรียมตัวที่จะเอาปัญญามาทำลายกิเลสตัณหาในขั้นต่อไปได้ถ้ายังไม่มีสมาธินี้กิเลสมันมีกำลังมากแล้วใจก็ไม่มีกำลังใจก็มีกำลังน้อยที่จะไม่มีความสามารถที่จะเอาปัญญามาสอนใจให้ ปล่อยวางให้หยุดความอยากได้แต่เราต้องไปถึงขั้นปัญญาแต่ก่อนจะไปถึงขั้นปัญญาได้ต้องเอาขั้นสมาธิให้ได้ก่อนถ้าข้ามสมาธิไปแล้วไม่มีทางขนาดสมาธิยังทําไม่ได้แล้วจะไปเอาขั้นปัญญาที่มันยากกว่าได้อย่างไรยังไม่จบปอตีจะไปเรียนปอโทได้อย่างไรมันมีขั้นตอน ดันั้นอย่ามองข้ามคุณค่าความสำคัญของสมาธิถึง แ, แม้ว่าสมาธิจะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรก็ตามแต่สมาธินี้จะเป็นเครื่องมือหรือลพลังที่จะสนับสนุนปัญญาปัญญาที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลังเหมือนกับทหารที่มีปืนแต่ไม่ได้กินข้าว จะไปสู้กับข้าศึกศัตรูไม่ได้แบกปืนก็จะแบกไม่ไหวเพราะไม่ได้กินข้าวอยั้นทหารนี่เขาต้องมีสเสบียงมีที่ให้เขากินอาหารมีที่ให้เขาพักผ่อนหลับนอนเพราะเขาได้พักผ่อนหลับนอนเขาได้รับประทานอาหารทีร่างกายของเขาก็จะมีกำลังที่จะแบกอาวุธต่างๆไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้ แต่ถ้าได้กินอาหารได้พักผ่อนหลับนอนแต่ไม่มีอาวุธก็ฆ่าฆ่าฆ่าศึกศัตรูไม่ได้อาวุธก็คือปัญญาการพักผ่อนหลับนอนการรับประทานอาหารก็คือสมาธิยังก่อนที่เราจะไปแบกปืนได้ต้องพักผ่อนหลับนอนต้องรับประทานอาหารให้มีกําลังก่อนจิตใจของเราก่อนที่จะไปใช้ปัญญาฆ่ากิเลสได้ ใจิตใจของเราต้องมีสมาธิก่อนมีความสงบก่อนมีความสุขก่อนมีความอิ่มความพอก่อนถึง แ, แม้จะเป็นความอิ่มความพอแบบชั่วคราวมันก็จะทําให้มีกําลังที่จะใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสได้ต่อไปนี่แหละคือวิธีการของศาสนาวิธีการบําบัดทุกบำบัดนุงสุขแบบแท้จริงแบบท้าวอ ต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งเราจะเรียนวิธีของพระพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเรามาศึกษาคำสั่งคำสอนหรือมาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่เราจะบํา บ, บัดความทุกข์และบาบุมความสุขให้กับจิตใจอย่างท้าวรต่อไป ก็นี่ก็คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมประโยชน์ของการฟังเทศฟังธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อน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 จันโทปนะราโสยะามณีชดีอาราโสยะ ทัาสภิติโยวิวาชนตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีกายุโกภวะพิวาทนศีริสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวะทานตีอายุวันโสุขัง พาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรนี่ตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามได้เต็มที่เลยแต่พอเลิกแล้วก็จะขอปิดโอกาสนะไม่ตอบจะขอร้องว่าขอพิเศษไม่ได้นะ ถ้าอยากจะถามพิเศษก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาก็แล้วกันจะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครถามอถ้าถ้าอยากจะถามถามในช่วงนี้เพราะเดี๋ยวเลิกแล้วต้องมีอย่างอื่นต้องทําอีกมีงานมีอะไรที่คนอื่นเกี่ยวข้องจะเข้ามาอีกนั้นขอกรุณาถามในช่วงนี้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ เจ้าคะ่ะทางเ c e บ o o k 435ย t u b e 327วิทีวออนไลน์20รับฟังบนเขา31รวมทั้งสิ้น813ท่านเจ้าคะ่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณวัชสรส์เจ้าคะ่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์จิตของยุงกับจิตของมนุษย์เป็นจิตแบบเดียวกันใช่หรือไม่ครับ เช่นยุงอาจเกิดเป็นคนและคนอาจเคยเกิดเป็นยุงมาก่อนในอดีตชาติคือจิตมันเหมือนกันแต่มันต่างกันเหมือนร่างกายเหมือนกันแต่มันต่างกันฮร่างกายก็มีเพศหญิงเพศชายร่างกายก็มีผิวดำผิวขาวผิวเขียวอะไรต่างกันไปจิตใจก็มีจิตที่ดีก็มีจิตที่ใจบุญก็มีจิตที่ใจบาปก็มี จิตที่เมตตาก็มีจิตที่โหดร้ายก็มีจิตที่งอกก็มีจิตที่ฉลาดก็มีนะต่างกันตรงแต่เป็นจิตเหมือนกันคือเป็นผู้รู้ผู้มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันคําถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ค่ะกลับขอโอกาสครับในขั้นของพระโสดาบันเรื่องการพิจารณาทางปัญญาควรพิจารณาในเรื่องใดบ้างครับ หมายถึงเป็นโซดาแล้วแลวยังไม่เป็นโสดายังไม่เป็นเจ้าค่ะอะก็ต้องพิจารณาร่างกายพิจารณาขนาันห้าคือพิจารณาร่างกายกับเวทนาร่างกายก็คืออาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตาย mm hmm. เวทนาก็คือความรู้สึกที่มาทางร่างกาย mm hmm. เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา mm hmm. เวลาหิวอาหารก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาได้กินอาหารอิ่มก็เกิดสุขเขขวทนาขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้หิวไม่ได้กินอาหารอิ่มก็เกิดความไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมา <S <S e นก็พิจารณาว่าทั้งสองอย่างคือร่างกายกับเวทนานี้มันไม่เที่ยงร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนเดิม ตอนต้นก็จเจริญเติบโตก่อนเวลาที่มันยังเล็กอยู่แต่พอมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่ม เ, เริ่มแก่ลงเริ่มเสื่อมลงร่างกายนี้เปลียบเหมือนดอกไม้ดีๆนี่ดอกไม้เวลามันโผล่มันงอ ก, อ, อกขึ้นมามันก็เป็นตุ่มก่อนมันเป็นมันยังไม่บานแล้วต่อไปมันก็จะบานออกมา แล้วบานแล้วต่อไปมันก็จะเหี่ยวมันก็จะเฉาแล้วมันก็จะร่วงโรยไปนี่คือพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้มันเกิดแล้วมันก็จเจริญเติบโตจเจริญเติบโตแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายต้องต้องรู้ว่ามันเป็นเพียงร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจ ใจผู้พิจารณาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเพราะฉนัใจไม่ควรที่จะไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร่างกายเพราะไม่ได้ไม่มีส่วนเสียส่วนได้กับร่างกายแต่ถ้าถูกความหลงมาครอบงําใจก็จะคิดว่าใจได้ได้เสียกับการได้เสียของร่างกายเ ใจก็เลยเกิดความเสียใจเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเกิดความทุกข์ใจเกิดความหวาดกลัวต่างๆเห็น ไ, ไหมตอนนี้โลกมันอยู่แค่เมืองจีนนี่มาถึงแต่ใจมันมาถึงเมืองไทยแนละ้วใจคนไทยนับโลกกันเต็มแล้วไปไหนเดี๋ยวนี้ใส่หน้ากากกันเต็มบ้านไปหมดแล้วเอ อ, อ, อนนี้คือใจยังไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกาย ทำยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ดูแลรักษาแต่ให้มันมีขอบเขตมีเหตุมีผลอย่าตื่นตหนกแบบกระตายตื่นตูมเนี่ยโลกมันยังมาไม่ถึงเราก็เป็นบ้ากันไปแล้ววุ่นวายกันไปแล้วเ้วก็พยายามระมัดระวังอย่าไปอยู่อยู่ใกล้คนมากเกินไป พยายามอยู่ห่างไกลเพราะคนก็ถ้ามีมากก็ไม่รู้ว่าเขามีโรคหรือไม่มีโรคแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราต้องไปอยู่ใกล้คนก็สวมหน้ากากใส่อะไรไปเพื่อป้องกันซึ่งไม่รู้ป้องกันได้หรือเปล่าหมอไวรัสมันตัวนิดเดียวไม่ใช่เลยเรื่องอืม เป็นแมสแบบกระดาษผาธรรมดาป้องกันไม่ได้หรือว่เป็นแมสที่มีคาร์บอนก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าจะป้องกันพวกพาหะที่ ป, ป, ป, ป้องกันน้ําลายละอองอะไรเวลาคนจามอะไรเราจะได้ไม่สูดเข้าไปแต่ถ้ามันถ้ามันอยู่ในอากาศนี่เรามันอยู่ได้ไหมพวกไวรัสมันอยู่ในอากาศไม่ได้นะมันต้องมีพาหานะ ม, มันต้องมีพาหานะคือเหมือนกันเราต้องสัมผัสกับ อั้หลังจากทุพข์ปแต่ไม่สามารถสัมผัสจากลมหายใจที่เข า, าหายใจออกมาได้ไหมคือตอนนี้เขายังไม่ตามแน่ชัดว่าตัวเนี้ยมันติดทางอากาศหรือเปล่าคะยังต้องมีพ้าหะอยู่นะยังมีสารขั้นหลังอะไรต่างๆออกมาน้ำมูกน้ำลายอะไรที่ไอาจามออกมาเป็นละอองนี้มันก็ถ้าเรามีหน้ากากาก็พอจะกันพวกนี้ได้ แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าไม่ไม่ไปแพ้คนอื่นมากกว่าไม่ใช่การไม่ให้โรคเข้ามาหาเราโรคมันยังเข้ามาได้เพราะเรายังหายใจอยู่แล้วถ้ามันอยู่อยู่กับมันมามันก็เข้ามาทางลมหายใจได้เออนุ่่คิา อันนี้ป้องกันได้อ อ, อ, าาอ่บอหน้ากากอีกชนิดหนึ่งป้องกันได้เลยหมายถึงถ้ามีไวรัสอยู่ในอากาศเอ็นเก้าเอ็นเก้าสิบห้ที่สีเขียว ท, ทำมาเพื่อป้องกันพวกไวลัสโดยเฉพาอแต่ว่าเอ็เก้าห้าที่ขายในเมืองไทยเป็นสีขาวก็พอใช้ได้ต้อง เ, เป็นต้ง เ, เป็นหน้ากากาเฉพาะของเขา ในความจริงการไม่เราไม่ให้ไปเผยแพรให้คนอื่นมากกว่า<ช>ไม่ใช่กันเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาแ<ช>พร่ให้กับเราออแต่คนแต่คนทั่วไปควรจะล้างมือมากกว่าก็พีออิ่งให้สะอาดเพราะเราไม่รูปไปสัมผัสกับอะไรแล้วมาสัมผัสเข้า <When> เข้าตัวเราไปดักเชื้อเข้าตัวเราเองเองั้นก็จะได้เรียนรู้กันพอดีวันนี้มี มาช่วยทำงานก็เลยได้สอบถามเมื่อกี้ตอบคำถามไปแล้วใช่ัหมจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาต่างๆได้คือมันจะสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปทุกข์กับมันให้ทุกข์ที่ร่างกายอย่าให้มันมาทุกข์ที่ใจ ทุกที่ร่างกายห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็เกิดแต่ทุกที่ใจเราห้ามมันได้ด้วยการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความทุกข์ของร่างกายมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์ก็จะเป็นโสดาบันได้คำถามต่อไปจากคุณลำดวนคะ่ะผู้หญิงสามารถเดินตามพระบิณฑบาตได้ไหมคะคือช่วยพระทันนะคะ ตามปกติแล้วก็พระไม่อยากจะยุ่งกับผู้หญิงเอ่อยันถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปยุ่งกับพระดีกว่าแต่มันมันไม่มีข้อห้ามแบบเด็ดขาดเป็นเพียงแต่ข้อแนะนำพระานนท์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าวิธีจะปฏิบัติกับผู้หญิงให้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเจอดีที่สุด แล้วพระนั่นก็ถามว่าถ้าเจอให้ทํำยังไงถ้าเจอก็อย่ามองแล้วถ้าต้องมองให้ทํำยังไงก็อย่าพูดถ้าจะพูดต้องทําไงพูดให้น้อยที่สุดให้พูดแค่ไม่เกินหกคาพูดบอกให้บายบายไปเถิดอย่เพราะว่าช <laughs> ายหญิงกับพระนี้มันเป็นเหมือนน้ํามันกับไฟเขาจะไม่เก็บน้ํามันกับไฟอยู่ใกล้กัน เดี๋ยวมันจะพัทุลุกขึ้นมาได้อย่างทางที่ดีก็ญาติโยมไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปอยู่ในโรงครัวทำกับข้าวกับปลา ด, ดีกว่าแต่บางวัดนี่เขาไม่มีลูกศิษย์ผู้ชายมีอยู่วัดนึ่งเนี้ยที่ใกล้ๆเนี้ยเวลาตอนเช้าไปบิณฑบาตจะมีญาติโยมที่ถือศีลนุ่งขาวห่มขาวนี้มาช่วยเดินถ่ายบาตรกันเป็นแถวเลย อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ทางเราพยายามที่จะไม่ให้ญาติโยมผู้หญิงมาใกล้ชิดกับผ้ามากเกินไปเพราะมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาหลายเรื่องหลายราวมีมีมาเป็นตลอดระยะเวลายาวนานนะพอไฟกับน้ำมันมันใกล้กันเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาได้เห <c oughs> นั้นทางที่ดีก็ให้มันอยู่คนละทิศกันดีกว่าไฟอยู่ทิศเหนือ น้ำมันก็ให้ไปอยู่ที่ใต้อย่าให้มันอยู่ใกล้ๆกันคำถามต่อไปจากคุณปัญญีค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะหนูนั่งสมาธิเบาสบายแต่อยู่ๆแฟนมาตีที่ขาทําให้ออกจากสมาธิอย่างรวดเร็วแล้วทําให้แน่นหน้าอกเหมือนจะตายอาการแบบนี้คืออะไรคะก็เป็นอาการอย่างนั้นเราจะมาถามทำไม <laughs> มันเกิดก็รู้มันเกิดแล้วมันดับก็รู้มันดับไปอมันอาการเรียนต่างมันก็เกิดได้ทั้งนั้นเนะนี่ยคําถต่อไปจากคุณแคค่ะทําสมาธิไม่คิดอะไรขออธิษฐานจิตขอให้พระ้าพเจ้าหลุดพ้นจากการเวีย้นว่ายตายเกิดทําบ่อยๆได้ไหมคะขอไม่ได้เราต้องทําแต่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนไว่าตายเกิดต้องชํานะกิเลตให้หมดไปจากใจ ขอจนวันตายกิเลสมันก็ไม่ยอมไปขอให้กิเลสออกไปจากใจเถิดมันไม่ไปหรอกมันไม่ไปเองต้องขับไล่มันต้องเอาเปืนมาไล่มันเปืนมาฆ่ามันเอาปัญญามาฆ่ามันเอาสติมาฆ่ามันมันถึงจะไปขอไม่ได้ถ้าจะขอขอให้มีสติมีปัญญาดีกว่าขอให้สร้างสติขอให้ได้สร้างปัญญาเพราะมีสติมีปัญญาแล้วก็จะได้มีอาวุธที่จะมาทําลายกิเลส ที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปคํำถามต่อไปจากคุณแอนคะ่ะกล่าวนมัสการพระอาจารย์ขอเรียนถามว่าคนที่มีนิสัยตรณีทีเหนียวกลัวคนเอาเปรียบเป็นนิสัยที่ติดมาจากในอดีตชาติหรือไม่เจ้าคะและถ้าเราอยู่ร่วมกับคนนิสัยแบบนี้เราจะทําอย่างไรดีคะอ๋อมันเป็นนิสัยใครทําอะไรไว้มันก็ติดมา เคยใช้มือซ้ายมันก็จะติดมามันก็จะใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆเคยใช้มือขวามันก็จะใช้มือขวาเคยตนีมันก็จะตนีเคยใจกว้างมันก็จะใจกว้างของพวกนี้มันเป็นนิสัยแต่ก็เปลี่ยนได้ถ้ารู้ว่าความตะนีไม่ดีก็เอาความใจกว้างมาเปลี่ยนเอาใจบุญสุนทานมาสู้กับความตะนีนี ฝืนมันอย่าไปทําตามมันเหมือนถ้ารู้ว่าใช้มือซ้ายสู้ใช้มือขวาไม่ได้ก็เลิกใช้มือซ้ายมาหัดใช้มือขวาเพราะเครื่องไม้เครื่องมือส่วนใหญ่เขาทาให้คนมือขวาใช้กันคนมือซ้ายบางทีมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของคนมือขวามันก็ใช้ไม่ถนัดนั้นก็ต้องเปลี่ยนมันเพื่อจะได้ได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นฉันใดถ้าเราเห็นโทษของความตันหนีล้วก็พยายามฝืนมันด้วยการทําบุญทําทาน ด้วยการแบ่งปันด้วยการเสียสละทำทานหมดเจ้าค่ะถ้าเราอยู่กับคนตันีก็ปล่อยเขาตันีไปเรื่องของเขาเราอย่าไปตันีตามเขาก็แล้วกันเอเราก็ใจกว้างถือว่าปรทำบุญทําทานเอถ้าไปกินด้วยกันเขาไม่ยอมฟักเราก็ฟักไปก็แล้วกันชื่อว่าเป็นการทําบุญทําทานถ้าไม่อยากจะจ่ายให้เขาก็วันหลังก็อย่าให้เขาไปกับเราก็แล้วกัน <laughs> แต่ถ้าเขาไปกับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปด่าเขาว่ามึงตนันีอย่างนู้นอย่างนี้ควรจะใจกว้างบ้างมันก็พูดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโกรธเรามีเรื่องกันเวน็นเวรเป็นกรรมกันเปล่า แต่ถ้าเขาถามว่าชั้นตันีนี้ดีไหมเก็บอกได้ถ้าเขาถามเขาสงสัยว่าความตันนีนี้ดีไหมคือเขาอาจจะมองเห็นว่ามันดีเพราะเขาจะได้มีเงินรักษาเก็บรักษาไว้เผื่อเวลาเขาจำเป็นจะต้องใช้เขาจะได้มีใช้ อันนี้ก็มันก็มีคุณค่าเหมือนกันมีความตนีแต่มีความตนีแบบเห็นแก่ตัวมันไม่ดีถ้าเราทำอะไรร่วมกับผู้อื่นนี้เราก็ต้องมีการส่วนร่วมในการเสียถ้าเราต้องจ่ายก็ต้องควรจะจ่ายไม่ใช่ตนีเพื่อที่จะเก็บไว้ อย่างเดียวแล้วมีเงินไว้ทำไมถ้าเก็บไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีต้องใช้เหตุผลใช้มากเกินไปก็ไม่ดีใจกว้างมากเกินไปก็หมดใจแคบก็มันก็มีเงินแต่ไม่มีเพื่อน คำถามต่อไปจากคุณธิติพงศ์ค่ะกลาบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับกระผมไม่ค่อยได้ทําสมาธิแต่มีความเชื่อว่าเทพเทวดามีจริงกระผมจึงอยากขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์เทวดาท่านมีอยู่จริงจใช่หรือเปล่าครับมีมีทั้งแบบที่มองเห็นกับแบบมองไม่เห็นแบบมองเห็นก็พวกที่มาทําบุญที่วันเนี่ยเป็นพวกเทวดาทั้งนั้นร่างกายเป็นเป็นละคนแต่ใจเป็นเทวดา เพราะคุณสมบัติของเทวดาก็มีอยู่สองอันคือหนึ่งไม่ทําบาปสองทำแต่บุญเนีใครไม่ทําบาปใครทําแต่บุญจิตใจก็เป็นเทวดาพอร่างกายไม่มีก็จิตใจก็เป็นดวงวิญญาณที่เป็นเทวดาต่อไปเห็นเทวดานี่มีทั้งขณะที่มีร่างกายและขณะที่ไม่มีร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณป้องเจ็ดแปดค่ะอ่านหนังสือประวัติของพระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์สรุปว่าปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นที่ความอยากต้องมาแก้ไขให้ละความอยากพระอาจารย์โกโรณาช่วยอธิบายด้วยครับว่าเพราะเหตุใดเพราะเวลาอยากแล้วมันทุกข์เลยอยากแล้วทำให้เราต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้อยากได้อะไรเราก็ต้องไปหาถ้าหาไม่ได้ก็อาจจะต้องไปขโมยของคนอื่นมา ก็ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นแล้วก็คนอื่นเขาก็จะมาตามล้างแค้นเราอีกแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็อยู่เฉยๆของเราไป ไ, ได้มีไม่มีก็ไม่เดือดร้อนแล้วใจของเราก็จะสงบจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่ามีความสุขจากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะสิ่งที่เราได้มามันให้ความสงบให้ความสุขเดียวยวแล้วเดียวมันก็หายไป แล้วความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายก็ยังต้องหาอยู่ไปเรื่อยๆตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่อีกแต่ถ้าเรากําจัดความอยากได้ใจเราจะมีความสุขใจเราจะสงบแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาหามันหาอะไรอีกต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่ต้องมาเกิดใหม่หมดแล้วเลยหมอถาม อาจารย์คะขอการถามเรื่องสัมมาวาจาค่ะข้อที่ว่าเรื่องการพูดเทศพูดสอสเสียดคำหยาเพเจร์อันนี้พระริยาบุคคลขั้นไหนละได้หมดนะคะเั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนี้จะไม่ทําบาปทุกประการไม่ว่าทางกายทางวาจาแต่ทางใจนี้ท่านยังละไม่ได้คือความคิดยังมีความอยากอย่างอื่นเยอะ แต่ท่านจะไม่ทำตามความอยากด้วยการทำบาปเช่นท่านยังมีความอยากมีแฟนอยู่ท่านก็จะไปหาแฟนแบบไม่ไปผิดประเพณีท่านจะไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นถ้าจะแต่งงานก็ต้องไปขออนุญาต ท, ทำให้ถูกประเพณีพระโสดาบันนี้ยังมีความอยากมีแฟนมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่มีแต่ แต่จะไม่ทำบาปจะไม่โกหกหลอกลงว่าผมไม่มีครอบครัวผมเป็นโสดนี้แท้จริงทั้งๆ ท, ที่มีแล้วนี้เราอยากไปได้อีกคนหนึ่งจะไม่มีในใจของพระโสดาบันในในหัวข้อเรื่องคำพูดสอดเสียดเจ้ค่ะพระอาจารย์ถ้าเป็นการนินทาค่ะหมายถึงว่าการพูดถึงบุคคล หนึ่งให้บุคคลอีกคนหนึ่งฟังในทางเสียหายไม่ว่าเรื่องจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ถือว่าเป็นสอดเสียดไหมคะไม่ใช่หรอกไม่ใช่คสอดเสียนี้แปลว่าการพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกเช่นสามีภรรยาเขารักกันดีอยู่ นี่เราอยากจะให้ก็แตกแยกเราก็ไปยุยงสามีว่าแฟนภรรยาคุณไปคุยกับผู้ชายคนนั้นคนนี้นะแล้วก็มาพูดกับภรรยาว่าแฟนของคุณนี้ไปมีนู่นไอ้นี่อันนี้เรียกว่าส่อเสียดพูดให้เกิดความแตกแยกแตกความสามัคคีของของบุคคลที่เขาอยู่ร่วมกันเขามีความสุขแต่เราอยากจะให้เขาทุกข์เราก็เลยไปพูด หลอกลวงด้วยโกหกด้วยอาจจะไม่เป็นความจริงหรืออาจจะเป็นความจริงก็ไม่ควรพูดถ้าไปเห็นสามีเขาไปเที่ยวอาบอบนวดก็ไม่ต้องมาบอกภรรยาเขาว่าวันนี้เห็นพี่เขาไปที่นู่นที่นี่มาอนี่ไปจะทําให้เกิดความแตกแยกของเขานเป็ไม่ก็เป็นถือว่าเป็นวจีทุจริตไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทําใช่มันเป็นการกระทําที่ไปทําให้คนอื่นเขาเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าภรรยาไม่รู้เรื่องว่าสามีไปมีอินูที่ไหนก็อย่างนั้นภรรยาก็ยังไม่ทุกเนี่ยแต่พอรู้นี่มันทุกขึ้นมาแล้ ว, ลวเดี๋ยวอาจจะทำร้ายสามีก็ได้ตัดไอ้จูตอนนอนนอนก็ได้มีคำถามจากคุณบุญเพ็งเจ้าค่ะ กลับเรียนถามค่ะในช่วงที่พ่อแม่ครูอาจารย์และสังขารชาวเฟซมักจะคัดลอกคำว่างดกล่าวคำว่าสาธุต่ อ, ต, อต่อกันจึงสงสัยค่ะว่าควรงดหรือไม่สาธุแล้วว่าดีแล้วรอสาธุท่านไปนิพพานแล้วได้ไ้ยเจ้าคะ เพียงแต่สมมตินิยมเขาไม่ชอบสาธุให้คนตายครเขาชอบสาธุให้คนสุขให้คนเจริญเพราะก็ถือว่าความตายนี้มันไม่เจริญมันไม่สุขฉะนั้นเวลาคนตายไปสาธุเหมือนกับว่าไปส่งเสริมให้เขาทุกข์ให้เขายินดีกับความทุกข์ของเขาเห็นธรรมดางานศพนี่เราไม่ไปสาธุกับเจ้าภาพใช่ไหมมีแต่ไปสแสดงความเสียใจ เหตุกาเวลาครูบาอาจารย์จะเสียก็ก็อยากไปพูดสาธุก็ไม่นิยมพูดพูดว่าเออหน้าเสียดายบุคคลที่น่าประเสริฐที่ต้องจากพวกเราไปแล้วหรืออะไรทํานองนี้ <Yes. S 1> หรือถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่ต้องพูด yes. Yes. แต่สาธุนี้มันไม่เหมาะกับกับเหตุการณ์ที่ทางโลกถือว่าเป็นทางลบเราจะใช้สาธุแปลว่าดีแล้ว กับเหตุการณ์ที่เป็นทางบวกเช่นใครทําบุญนี่ววเราบอ่เสาธุดีแล้วเออคําถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์ค่ะหลวงพ่อครับผมขอคําแนะนําว่าผมยังไม่มีชีวิตคู่ถ้าผมต้องอยู่คนเดียวตอนแก่คนเดียวกระผมควรทําอย่างไรกับตัวเองดีครับก็อยู่ไปแล้วก็อยู่คนเดียวมาเนี่ยเราก็จะแก่แล้วนี่ก็เห็นเดือดร้อนตรงไหนห ม, มืนเราเจะค่ะ หัดพึ่งตัวเองนล้วก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเออยพึ่งตนเองแล้วถ้าพึ่งไม่ได้ก็เตรียมซื้อลงได้แล้วก็ท่ำนั้นเองหมดปัญหาไปไม้นน่าจะมีปัญหาอะไรเลยเราไม่ได้อยู่ไปตลอดหรอกทุกคนจะต้องตายกันจะมีคู่ก็ตายจะมีแฟนมีสามีก็ตายเนี่ยงั้นมันไม่จําเป็นจะต้องมีคนมาเลี้ยงดูเราหรอกถ้าเราเลี้ยงดูเราไม่ได้ก็ถือว่าเราเออ่ ใกล้ตายแล้วแล้วหมดสภาพควรจะตายได้แ <hi> ล้ว <hi> ก <Z ip. S 2> ็ป <hi> ล่อยมันตายไปแต่มันไม่ตายหรอกเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นเขาก็มาช่วยกันเองแหละเห็นไหมมีข่าวข่าวอยู่เลยคนที่ไม่มีใครดูแลเดี๋ยวก็มีเทวดามากระซิบบอกคนนั้นคนนี้นี่เขาเห็นเขาก็เอามาพาไปถ้าไม่มีใครช่วยก็ตายก็มีก็ตายมีเยอะะคนที่ตายไป แต่คนที่มีลูกมีเต้ามีสามีมีภรรยาก็ตายเหมือนกันถึงเวลามันจะตายมันก็ตายเหมือนกันเชิญถามเขาถามเรื่องกรรมค่ะหลวงพ่อคะอ่ะคือถ้าถ้าจะให้หมดเข้าเข้านิพพานเนี่ยค่ะ ก็ต้องไม่มีทั้งกรรมดำํากรรมขาวไม่มีทั้งบุญไม่มีทั้งบาปอะไรอย่างนั้นหรอไม่ใช่หรอกไม่มีความอยากหมดอยากเพราะความอยากมันเป็นตัวผลักดันให้ไปทำกรรมต่างๆพอไม่มีความอยากมันก็ไม่มีการกระทำถ้าหมดอยากไม่มีการกระทำแล้วถึงจะ เข้านิพพานจิตถึงจะเข้าวิมุตติถ้ามีความอยากมันก็จะดึงจิตให้กลับมาทําต่อต้องน้ำมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่แล้วแล้วอย่างหลวงตาที่ท่านท่านหมดความอยากแล้วแต่ว่ายังทําบุญอยู่เอนะั้นท่าไม่ได้ทําด้วยความอยากไมทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ค่ะ อ, อันนั้นไม่เหมือนกับคนสุกุรีแบบไม่ติดกับคนที่ติดไม่เหมือนกัน คนที่สูไปเลยด้วยความอยากจะติดต้องสูบอยู่เรื่อยๆแต่คนสูบที่ไม่ติดมีใครให้บุหรี่มาก็สูบเ่ไม่มีสูบก็ไม่สูบเท่านั้นเองต่างกันตรงนั้นะนั้นตรงที่บอกว่าเจริญให้เจริญสติจนถึงเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาอะไรนั้นก็เพื่อที่จะรู้ทันตั ว, วอยากนี้ขอเพราะอยากก็ใช้ปัญญามาสอนว่า ทำความอยากแล้วก็ต้องกลับมาทำอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วจำเป็นว่าเราต้องรู้จักกิเลสทุกตัวไหมคะรู้เองอ่ะมันเวลาโผล่ขึ้นมามันทำให้ใจร้อนร้อนทันที <c oughs> ถ้าถ้ามันไม่ร้อนก็ไม่ใช่กิเลสความอยากบางอย่าง ก, ก็ไม่เป็นกิเลสนั่นสิอยากทำความดีก็ไม่เป็นกิเลส <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> ถ้าถ้าเดือดร้อนก็ยังเป็นกิเลสอยู่ ถ้าความอยากอันไหนเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำแล้วจะเดือดร้อนก็เป็นกิเลสแต่ถ้าโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำไม่เดือดไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นกิเลสเช่นวันนี้อยากจะบริจาคเงินสักล้านหนึ่งแต่ไม่มีเวลาไปก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหม <c oughs> ไว้ <c oughs> ไว้วันอื่นค่อยบรยิจาค ก, ก็ได้แต่ถ้าอยากจะซื้ออะไรวันนี้ต้องซื้อให้ได้วันนี้ถ้าไม่ได้ซื้อแล้วมันจะเดือดร้อนใจขึ้นมาเนี่ยเป็นกิเลสแล้วอย่างคนที่ติดติดทําบุญ กทำบุญแบบที่จะได้มีความสุขใจแต่ว่าทำซะจนก็อยู่สองแบบทำด้วยความอยากแล้วก็ทำด้วยความไม่อยากทำทาด้วยเหตุผลกับทำด้วยอารมณ์เนี่ย ถ้าทาด้วยอารมณ์มันก็เวลาไม่ได้ทํามันก็จะงดหยุดนําคานใจแต่ทําด้วยเหตุผลถ้าทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทําืไม่จําเป็นจะต้องใส่บาตรทุกวันคระอะไรทำนองนี้ไม่จำเป็นไว้ทาวันอื่นก็ได้ถ้าวันนี้ไม่สะดวกทำนู้นทำแบบอื่นก็ได้แต่นี่จะใส่บาตรก็เอาเงินให้ขอทานข้างถนนก็ได้เปลี่ยนวิธีการได้ถ้าอยากจะทํำแต่ทําโดยไม่ติดถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกอะไรค่ะ เหมือนคนที่อยากจะสูบบุหรี่กับได้สูบก็บไม่สูบเยคนที่ไม่ติดสูบก็ได้ไม่สูบก็ได้แต่คนที่อยากคนที่ติดแล้วพอไม่ได้สูบมันก็จะทุกข์มันจะปวดหัวขึ้นมาครับแล้วตัวเราจะรู้ตัวเราเองที่เกดเอาไปเอาไปไปเราจะรู้มันจะรู้สึกไม่สบายใจจะรู้ได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนพอเวลามีสมาธิใจมันจะสบายไง พอเกิดความอยากขึ้นมาความสบายหายไปความไม่สบายใจผล่ขึ้นมาเราก็รู้อ๋อมีกิเลสแล้วเหมือนน้ําที่มันท่านนิ่งอยู่เนี่ยเราจะรู้เวลามันกระเพื่อมใช่ไหมใครโยนอะไรก้อนหินลงไปในน้ํามันจะกระเพื่อ ม, มขึ้นมาทันทีแต่ถ้าน้ํามันกระเพื่อมมีคลื่นอยู่ตลอดเวลาใครโยนก้อนหินไปมันก็ไม่แตกต่างกันอเอเนี่ยเราจะมองไม่เห็นกิเลส ใจของคนที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นกิเลสตัวไหนไม่เป็นกิเลสแต่คนที่มีสมาธิจะรู้ถ้าเป็นความอยากที่เป็นกิเลสมันจะทำให้ใจกระเพื่อมถ้าเป็นความอยากที่ไม่เป็นกิเลสมันจะไม่กระเพื่อมคามถามต่อไปจากคุณโมค่ะจิตสงบนี้ทำได้ยากไหมครับหลวงพ่อก็แล้วแต่บางคนง่ายบางคนก็ยากมันอยู่ที่ ความพยายามหนึ่งอยู่ที่ความตั้งใจหนึ่งอยู่ที่การทำให้ถูกต้องหนึ่ ง, งถ้าทำครบสูตรมันก็ไม่ไม่ยากถ้าทำไม่ครบมันก็ยากเห็นก็ต้องศึกษา ว, วิธีที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีความ อยากทำนะถ้าไม่มีความอยากทำมันก็ยากใช่ไหมคนเราเวลาให้ทำอะไรที่ชอบนี่แหมมันทำง่ายนะก็เพราะาอยากทำนะแต่ถ้าไปทำอะไรที่ไม่ชอบนี่มันจะยากเพราะไม่อยากทำแลยวเราจะทางานให้เราชอบเราก็ต้องศึกษาว่าทำแล้วจะได้อะไรจากการกระทำพอรู้ว่าทำงานได้งานนี้เราจะได้เงินเดือนล้านอย่างนี้แย่งสมัครกันเต็ไมไปหมดนะ แต่ถ้าทำงานนี้แล้วไม่รู้ว่าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจะไปทำดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องรู้ว่าการทำสมาธิแล้วเราจะได้อะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้นัต ส, สันติบลังสุขขัง ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงออลแถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงออพอเรารู้แล้วว่าอ๋อไม่มีอะไดีเท่ากับสมาธิทีนี้เราก็จะเกิดความชอบเกิดความอยากขึออ้นมาพอเราชอบแล้วทีนี้เราก็จะขยันเองเออหมดแล้วนะเ อ, อขยันเราก็ไปศึกษาวิธีทำที่ถูกต้องว่าทำอย่างไรพอรู้วิธีแล้วทีนี้ก็เอาเราเสร็จทำมันไปทํามันไป เ, ออเดี๋ยวก็ได้ออไม่ยาก เหมือนทุกอย่างอะขี่จักรยานขับรถอะไรต่างๆเวลาที่เรายังทําไม่เป็นรู้สึกมันยากนะว่ายน้ําก็ยากถ้าว่ายน้ําไม่เป็นแต่ถ้าอยากว่ายก็ไปเรียนไปถามครูเขาเลี้ยว่ายยังไงทำตามที่ครูก็สอนเดี๋ยวไม่นานก็ไว่ายได้การทําสมาธิก็เป็นเหมือนกับว่ายน้ําหัดทาอะไรถ้ามีครูสอนแล้วก็มีความอยากจะทําเดี๋ยวก็ได้ เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอใท่ากราบเรียนถาเดี๋ย ว, อ ย, วอย่างนี้เนะเอาไปไปก่อนขอกราบในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าเวลาที่ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะคะท่านจะอยู่ในภ พ, พภูมิที่ที่รับได้แล้วเนี่ยแล้วท่านจะได้คนทุกไหมเจ้าค่ะ พ้พนทุกจากความอดอยากขาดแคลนเพราะท่านอยู่ในภูมิของขอทานผู้ที่มารับบุญได้นี้เป็นจิตที่อยู่ในภูมิของขอทานเจ้าค่ะพวกอื่นนี่เขาไม่มารับบุญเพราะบางพวกถูกไปจับขังในคุกในตารางออกมารับไม่ได้ <Okay. S 2> บางพวกก็เป็นเศรษฐีบุญก็ไม่ต้องมาขอบุญจากคนอื่น <Okay. S 2> มีพวกเดียวที่มาขอบุญพวกขอทานเราเรียกว่าเปรต oh, ล้วไม่เป็นถ้าไม่เป็นเปรตเขาก็ไม่มารับรับไม่ได้ ถ้าอยู่ในนรกก็ออกมารับไม่ได้เหมือนติดคุกอยู่ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่ต้องมารับบุญของเราเพราะาบุญเขามีมากกว่า<ะ>เขาเป็นเศรษฐีบุญท่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าอยู่ในภกเปรตเนี่ยจะพ้นพ้นไหมคะพ้นภ พ, นพนไม่พ้ น, พนมันจะพ้นก็ต่อเมื่อมันหมดกรรมของมันเราเพียงจะไปบรรเทาเหมือนกับไป ใ ห, ให้ช่วยเงินทองให้ขอทานเวลาเราให้ขอทานเราให้มันแล้วมันพ้นจากการเป็นขอทานไหมมันก็ยังเป็นขอทานอยู่ <Okay. S 2> แต่อย่างน้อยมันเป็นขอทานที่มีข้าวกินบ้างมีอะไรบ้าง okay. Okay. แล้วเดี๋ยวพอมันหมดกรรมมันก็พ้นจากการเป็นขอทานโยงมันเอง <Okay. S 2> เราไปแก้กรรมเขาไม่ได้แก้สภาพของเขาไม่ได้<ต>นอกจากว่า oh. นอกจากว่าเขาใกล้จะหมดแล้วเราเราไปให้เขานี้เขาอาจจะหมดได้ แต่แต่เราก็ทําบุญอุทิบายให้เขาเรื่อยๆเขาก็จะได้มีอะไรทานคือหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นแต่เราทําไปก็เผื่อไว้เท่านั้นเองบันทีเก็เป็นเศรษฐีก็ได้เขาไม่บางทีเขาไปเป็นเดรัจฉานก็ได้เขาก็ไม่มารับบุญของเราหรือเขาไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เขาก็ไม่มารับบุญของเราเจค่ะถ้าถ้าอยู่ในพบที่ที่รับไม่ได้เลยเนี่ยบุญนี้จะไปไปไปไปรอเขาไว้ตอนที่เขาพ้นทุกข์ไหมจชะพระแล้วไม่หรอกมันก็มันก็จางหายไปแล้วอืม หยาบครับพระคุณลูกานแต่ต้องเข้าใจนะบุญที่เราทิศไปนี้เป็นเซี่ยวของบุญที่เราทําเนี่ยถ้าบุญที่เราทําเป็นเหมือนน้ำเต็มแก้วเนี่ยบุญที่เราทิศไปเหมือนน้าที่มันติดอยู่ในแก้วเวลาที่เราเทน้ําทิ้งไม่หมดแล้วเพียง <laughs> <laughs> แต่พอให้มันได้ลิ้มรสสัมผัสได้ความสุขบ้างนิดๆหน่อยๆท่า น, น, น, นเองงั้นอย่าไปวุ่นวายกันเรื่อง อุทิศบุนกันมากเกินไปเลยเพราะหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าสองบุญที่เราให้เขาไปมันก็เป็นเหมือนเศษบุญของเราอันนี้งั้นก็แต่ถ้าเราทําบุญก็ทําไปเพื่อความสบายใจว่าเราได้ทําให้กับคนที่ร่วกลับไปแล้วก็ทําไปหมดแน้วหมดไปอ้าข้อหนึ่งมีข้อเอาข้อสุดท้าย คำถามจากคุณทิติพงค์ค่ะกลาวนมัส ก, การพระอาจารย์ครับการที่เราเคารพศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดที่หนึ่งแต่ตัวของเราเองไม่ได้เดินทางไปเองเราสามารถเอ่ยนามของท่านให้มาเมตตาช่วยเหลือเราได้ไหมครับขอบพระคุณครับไม่ได้หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยเราไม่มีหรอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยเราก็คือกรรมนี่แหละทำกรรมดีมันก็มาช่วยเราทำกรรมชั่วมันก็มาทำลายเรานี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงมีอยู่ในโลกนี้มีอยู่อันเดียวทั้งนั้นคือกฎแห่งกรรมนอกนั้นไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้จานั้นเป็นเพียงแต่เป็นเพียงแต่สิ่งที่จะมาคอยเตือนใจสอนใจเราให้ทาบุญทาความดีทั้งนั้นเอง แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นมาทาอะไรให้เราไม่ได้เช่นพระพุทธรูปต่างๆทเทวรูปต่างๆโบเจดีต่างๆนี่มาทำอะไรให้เราไม่ได้ทำได้ก็เพียงแต่บอกเราว่าไปทำความดีนะเขารบกฎแห่งกรรมนะเท่านั้นเองแต่ตัวที่จะให้คุณให้โทษกับเรานี่คือกฎแห่งกรรมคือบุญหรือบาป ท, ที่เราทำเท่านั้นเองนะแล้วนีวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา